ข้อความในพุทธวงศ์เนี่ยนะถ้าหากว่าเราระลึกถึงอาตานาติยะสูตรพระสูตรที่ท้าวมหาราชมาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะสั่งแนะนําพระภิสุรหรือสอนพระพิสุให้เจริญภาพรปริตหรือที่เรียกว่าอาตานาติยะปริศเนี่ยนะเป็นภาพรปริศเครื่องป้องกันอย่างที่บอกว่าคอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้มีพระจักสุมีพระสิริ ก็ถ้าเราเรียนพุทธวงศ์เนี่ยเราก็จะระ ล, ลึกถึงว่าคําว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้นหมายถึงพระสัมมาสัสามพุทธเจ้าเมื่อ91กับที่แล้ว อ, อย่างของนอบนอบ้นอมแด่พระสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่ศัตว์ทั่วหน้าอันนี้ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าเมื่อ31กับที่แล้วนี่ก็วันนี้มาขึ้นพระสิกขีพุทธเจ้าถอยหลังไปเมื่อ31กับ เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ยี่สิบที่พยากรณ์พระโพธิสัตว์นะว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยนะก็แสดงว่านับแต่วันที่พระวิปสิกขีพุทธเจ้าพยากรณ์มาก็31บอกัปเนี่ยนะการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องผ่านโอ้ยผ่านผ่านการหล่อล้อมผ่านุกผ่านทุกผ่านโสมนัสโทมนัส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 นะคนที่รู้แล้วรู้และรู้รู้แล้วจำทนเนี่ยทุกขนาดไหนนะใครว่าอึดอัดอึดอัดเต็มทีแต่ก็ต้องทนเนี่นนนขขยนะก็ใครที่เคยแบบอะไรนะอยู่ในบรรยากาศที่มันอบอ้าวทั้งๆที่ไม่อยากอยู่แต่ก็ต้องทนอยู่หรือแม้กระทั่งอะไรนะอาหารที่เราไม่อยากจะทานแต่เราจำต้องทานถามว่ามันอึดอัดขนาดไหนฝุ่นตลบทั้งๆที่ไม่อยากหายใจแต่จาต้องหายใจ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 ไม่มีเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มีเท้ามากสัตว์มีสัญญาสัตว์ไม่มีสัญญาหรือว่าเนวะสัญญานาสัญญาสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปเป็นต้นพระองค์ีนสุดยอดของสรรพสัตว์ทั้งมวลเหล่านั้นพระสิขีพระองค์นั้นได้ทรงย่ำยีกองขับมารโปรองคบรรลุสัมโพธิญาอันสูงสุดเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการตรัสรู้ที่สูงที่สุดในบรรดา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 ก็คือเพราะไม่ไม่แทงตลอดธรรมะธรรมจักนั้นหมายถึงว่าการหมุนอริยสัจจะทำให้เป็นไปเพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้อริยสัจนั่นแหละจึงต้องท่องเที่ยวไปในวัตะพบแล้วพบเล่ามันพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์คือกรุณาอนนะถ้าเห็นคาไหนที่แปลว่าอนุเคราะห์มาจากบาลีว่าการุณาหรือมีความหมายว่าการุณา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 เน้นที่พิเศษก็คือกลุ่มเทวดาทั้งหลายเนี่ยบรรลุมากก็ที่เข้าบรรลุมากเพราะว่าท่านเหล่านั้นได้เคยสั่งสมบูญจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาแล้วเนี่ยนะพันพระพุทธเจ้านั้นเห็นความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ของเขาเหล่านั้นพระองค์ก็สอนทำตามอัธยาศัยจึงมีผู้ตรัสรู้ตามมากมายเมื่ อ, อพระผู้ประเสริฐแห่งคณะเนี่ยนะหรือผู้ประเสริฐที่สุดแห่งบริษัท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 ไม่เยอะเท่าไรหรอกปลาในแม่น้ำเจ้าพญา น, นับตูมันกี่ตัวเนี่ยนะเยอะแยะมากมายทีอบายเยอะลนะ่ะทำไมอบายเยอะได้ทีผู้บรรลุธรรมและขอให้บรรลุน้อยๆ อ, อย่างนั้นะท่านเขาบรรลุมากก็เทียบดูว่าผู้ที่เขาสั่งสมบุญมาเนิ่นนานเขารอเนี่ยนะเขารอการตรัสรู้เหมือนคนกระหายน้ํารอดื่มน้ําอย่างที่ใครเคยหิวน้ําแบบคอแห้งมาหลายๆหลายหชั่วโมงเขออาช่วยหลายหวันเนี่ยนะแม่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 จึงมีผู้ตรัสรู้ตามประมาณ 90,000 ื่นโกดเมื่อพระสิกขีพุทธเจ้าแสดงยมกะปาติหารยมกกปาติหารเช่นกับพระพุทธเจ้าของเรายมกกปาติหารเป็นการแสดงพิเศษเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่แสดงได้แสดงฤทธิ์เป็นคู่คู่เป็นปาฏิหารเพื่อกำจัดความไม่มีศรัทธาแสดงให้มี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 แต่หลังจากนั้นก็ไปแสดงธรรมที่ดาวดึงเพราะว่าเป็นเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ว่าเมื่อแสดงย ม, มะกกาปาฏิหารเพื่อขจัดลทัทธิเดรธีหมายคือว่ากําจัดความเข้าใจผิดความเข้าใจที่วิปราดคลาดเคลื่อนออกไปพระองค์ก็จะเสด็จจาพรรษาที่เทวโลกเทราะนั้นสมัยนั้นเป็นอภิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมครั้งยิ่งใหญ่ก็มีแก่ศาสตรประมาณแ 0,000 ื่นโกดนะ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 ผู้ฟังธรรมจากพระองค์ทำกิจในอริยสัจและอาสวะทำอาสวะให้เสร็จสิ้นก็หมายถึงพระอาหารหันต์นั่นเองผู้ไร้มนทินคือราคะโทสะและโมหะผู้มีจิตสงบตั้งมั่นด้วยอุปจาระสมาธิอปปนาสมาธิผู้คงที่ในอิทธารมและอนิถารมสาวกของพระองค์นั้นมีการประชุมครั้งใหญ่อยู่าครั้งนห เป็นการประชุมแบบไม่ได้นัดหมายเป็นการประชุมเฉพาะเอหีภิขุอุปสัมปทานนเป็นต้นเนี่ยนะมีอยู่สามครั้งครั้งแรกสาวกประชุมกันหนึ่งแสนอันนี้เป็นสันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่หนึ่งส่วนครั้งที่สองเป็นการประชุมพิกษุสาวก8ปดห0 0 0 0รูปครั้งที่สามประชุมภิกษุ 70,000 ภืกษุสันนิบาต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 ฮัลนะโลกระทำไม่ทราบเข้าไปอ่ น, นะไม่ใช่กลุ่มฟองน้ําที่ซับน้ําเอาไว้ไปหมดนะนะเช่นอ่ะถ้าเป็นปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะเขาพูดมาคำหนึ่งนะเราโอ้ยเก็บไปย้ำสิบครั้ง20ครั้ง30ครั้ ง, งเว้นแต่คําพระพุทธเจ้าอ่นะถ้าคําแบบคนอื่นเออเขาพูดทําไมอย่างเงี้ยนะจำจำจำอยู่ไปคิดคิดแล้วคิดอีกนะเช่นนะถ้าเขาตําหนิเราคําเดียวนะเราก็เอาคํานั้นแหละมาตําหนิตัวเองร้อยคำร้อยครั้งพันครั้งว่างๆก็นึกเอามาว่าอีกนั่นแหละเขาว่าแค่ครั้งเดียวเล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 ท่านดํารงอยู่ด้วยสติปัญฐานท่านดํารงอยู่ด้วยสัมมาสติท่านดํารงอยู่ด้วยสัมมาประธานดํารงอยู่ด้วยอิทิบาทดํารงอยู่ด้วยอินทรีย์ดํารงอยู่ด้วยพละดํารงอยู่ด้วยพ่อชองดํารงอยู่ด้วยองมัคเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยคุณธรรมดังหลายเพระาะฉะนั้นส oh ิ่งเหล่าใดเหล่าใดที่มีอยู่ในโลกสัมผัสท่านเฉพาะปัญจทวารแต่ไม่ได้เข้าถึงมโนทวารแต่ท่านก็ไม่โง่ท่านรู้ทุกอย่างเลยแหละถ้าท่านข่าวจริงท่านก็ไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะ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 พระสิกขีพุทธเจ้าผู้นำผู้นาอันเลิศของโลกนะผู้นำชั้นสูงสุดก็คือผู้นำผู้อื่นให้พ้นจากทุกจึงเรียกว่าผู้นำที่แท้ถ้าชักชวนผู้อื่นไปตายอันนี้เขาไม่เรียกว่าผู้นำนะแต่ถ้าคาว่าผู้นาในที่นี้หมายว่าผู้ที่นาไปสู่ความสุขและความเจริญพระสิขีพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้พยากรณ์เราว่าอีกสามสิบเอ็ดกับนับจากนี้ไป ท่านจากได้เป็นพระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วผู้ที่พยากรณ์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็อัธยาศัยก็ยิ่งใหญ่อย่างนั้นถามว่าจะปลื้มขนาดไหนแล้วก็ไม่ใช่พยากรณ์เฉพาะบอกจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ว่าไปร ล, ลอยๆบอกด้วยหมดนะอีกสาอดกับพระถาคตคือผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาเต็มเปี่ยมอย่างนี้เนี่ยจะออกพินิษฐสะกรมออกบวชจากกรุงกบิลพัทอันน่ารื่นรม ไม่ใช่เมืองแบบแหม่อยู่ไม่ได้แล้วอาหิวาตกะโรคลงตายระบาดกันเป็นเบื่อไม่ใช่เป็นเมืองทีนะ่ร่มเย็นหน้าเรื่อนรมบริบูรณ์ภูณสุขไปด้วยข้าวปลาอาหารหมายความว่าสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ก็ออกบวชมาแล้วก็มาทําความเพียรทำทุกขะรกิริยาปองรู้ด้วยนะ ว, ว่าท่านจะต้องไปทุกข์ไปยากไปลาบากนะก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็ปลื้มมันนะให้มันเป็นก่อนเถอะมันจะยากก็ช่างมันเถอะขอให้ไม่ได้เป็นเอาใช้ได้ละ พระตถ า, าคตผู้สร้างบารมีมาจนเต็มเปี่ยมประทับนั่งณนโะคนต้นอชาปาลนิโครธรับเข้ามาทุปายญาณณนะที่นั้นแล้วก็เสด็จไปยังแม่น้ําเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นสเสวยข้าวมาทุปายญาณที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชร า, านนะก็เป็นไงบ้างตาเห็นสีเห็นนะั่นริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชรานะเานะี่ยนะก็เห็นทรายเห็นก็เห็นน้ําไหลเหมือนกันนะนิดหน่อย ที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราหลังจากสเสวยเสร็จพระองค์ก็เสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้นนก็คือข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งจากนั้นพระผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่กระทําประทักษิณโพ ท, ที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมพระองค์ก็จะตรัสรู้นะโคนโพพฤกษ์ชื่อว่าต้นอัสัตถะก็แสดงว่าพระองค์นี้ไปถึงก็แค่คําว่าประทักษิณก็คือเอาที่นั่งเนี่ยไปปูที่ใต้ก่อน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 พระนางมายาพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุโทธนะท่านผู้นี้จะมีพระนามตามโคตว่าโคตมะเนี่ยนะหรือว่าโคตมะโคตเนี่ยนะท่านผู้นี้จะมีอักขระสาวกข้างขวาข้างซ้ายโกริตะข้างขวาพระอุปติสสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตชอบเอาขอไมีจิตสงบมีจิตตั้งมั่น พิเศษนะว่าคุณสมบัติของพระอรหันต์คือไม่มีอาสะวะสี่กามาสะวะภวาสะวะและอวิชชาสะว ะ, ะทิฏฐสะวะด้วยนะอาสะวะนี่เป็นเครื่องหมักดองเครื่องหมักหมมเนี่ยนะเช่นบอกว่าน้ำดองในโลกเขาก็เรียกว่าอาสะวะนะนะหรือว่าสิ่งที่หมักหมมหมักดองหมักหมมมานานที่ไหนบอกหมักไว้ในใจชันใดพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีอาสะวะเหล่านั้นที่หมักเอาไว้แล้ว ท่านปราศจากราคะด้วยอรหัตตมรรคไม่มีอาสะวะด้วยทิฐาสวะด้วยอนาคาโสดาปติมรรคไม่มีกามสวะด้วยอนาคามิามรรคไม่มีภว า, าสวะและทิฐาสวะด้วยอรหัตตมรรคปราศจากราคะด้วยอรหัตตมรรคมีจิตสงบด้วยอุปจาระสมาธิอัปนาสมาธิเป็นต้นพระองค์มีพุทธอุปถากนะคอยบำรงปรนิบัติรับใช้ชื่อว่าพระอนันทะ จากบำรงพระชินะพุทธเจ้าผู้นี้ น, นะก็ขนาดว่าอย่างคนที่ไปบำรุงต้นโพไปบูชาต้นโพก็ไปวันนึงสามสี่รอบห้ารอบก็มีเนี่ยนะขนาดว่าพระอนอนเนี่ยไปวันละสิบรอบมาเพราะกุฏิท่านอยู่ใกล้ตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะมีพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลว น, นาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่น โพลึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสัตถ h ต้นโพใบเนี่ยนะพระองค์จักมีอัคระอุปถากชื่อว่าจิตตะคือจิตตะครืหบดีและหัตถอล阿วกะเนี่ยนะที่ที่พ้นจากมือ阿拉วกยั ก, กะนะที่ไปถวายพระพุทธเจ้าพระองค์มีอัคระอุปถายิกาชื่อว่นันธมาตาและอุตราพระโคโดมผู้มียศยศแปล ว, ว่าบริวารเนี่ยนะบริวารผู้ที่นับถือมากมายเนี่ย มีพระชนมายุร้อยปีฝ่ายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้รับฟังพระพุทธทธรรารัสพยากรณ์จากพระสิกขีพุทธเจ้านนผู้ที่พยากรณ์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีผู้ใดเสมอผู้ที่พยากรณ์นั้นเป็นผู้ที่สแสวงหาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่มันเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปลาบปลื้มปีติในใจว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธางกูลหมายก็ว่า เนี่ยเต้นนี้นะปลูกแล้วจะเป็นต้นโพใหญ่นะเนี่ยมันแสดงว่าอนาคตต่อไปปลูกอีกใช้เวลารดน้ําพวนดินใส่ปุ๋ยอีกสามสับจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะต้นไม้พันเนี่ยนะปลูกนานมากนะคือพันธไหนแบกพันพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพันพุทธวงศ์เนี่ยปลูกละหานใช้เวลาปลูกนานมาก หมื่นโลกธาตุทั้งเทวโลกก็พากันโหร้องปรบมือโห่ร่ำร่าเริงประคองอัญเชลีเนี่ยนะบอกดีใจมากทุกคนดีใจกันหมดโหเราะดีใจนะขาแบบดีใจมีความสุขมากพูดว่าถ้าหากว่าพวกเราพลาดจากพระาศาสนาของพระโลกกนาพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกพระองค์นี้ไซอนาคตพวกเราจะอยู่ต่อหน้าของท่านผู้นี้นะถ้าพลาดพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ข อ, ขอพบพระพุทธเจ้าองค์หน้าก็แล้วกัน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 นะเร่งรักษาศีลเร่งเจริเนฆะคัมภะปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาเพิ่มพูนบารมีสิบเพิ่มพูนอุป ป, ปารมีสิบเพิ่มพูนปรมัทธปารมีสิบเพิ่มพูนมหาบริจกักเพิ่มพูนคุณธรรมทั้งปวงรวบรวมทั้งหมดเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกไม่นานแล้วนเนี่ยนะอีกไม่นานแล้วเนี่ยนะพวกเราก็ไปเห็นสถานที่มาแล้วเนี่ยนะ พระองค์ก็บำเพ็ญบารมีทีนี้นตั้งคาถามว่าทําไมมันต้องใช้เวลาเนิ่นนานอะไรขนาดนั้นน่าจะบรรลุกันเร็วๆบรรลุกันง่ายๆเนี่ยนะเขบอกว่าไอ้ที่บรรลุได้ยากเนี่ยนะหมายคำว่าผู้ที่เป็นพระพุทธเจา้าคือผู้ที่ให้ให้ชนิดที่เรียกว่าให้แบบไม่มีที่สิ้นที่สุด อันดับอย่างใครที่ให้มรดกใช้ได้ในชาตินี้ก็ถือว่าให้อย่างมากเลยนะใครที่ให้ข้าวของเครื่องใช้ให้ของใช้ได้วัน2วันให้ของใช้ได้เดือน2เดือนให้ของใช้ได้10ปี20ปีหรือให้ของให้สมบัติให้ใช้ได้ตลอดชีวิตผู้นั้นก็เรียกว่านักให้ให้เต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถามว่าคนที่ให้ประโยชน์โลกหน้าเขาไปอีกก็ถือว่าให้ในมากขึ้นแต่นี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้แค่นี้นะพระองค์ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์จะให้ทั้ง มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเนี่ยนะให้โสดาปฏิพันธสสกทาคามีผนอนาคามีผนอารหหตพนให้ะนะให้สาวก บ, บารมีพระ อ, องค์เนี่ยคือผู้ที่ให้ให้อย่างเต็มที่การที่สร้างบารมีจะเต็มหรือไม่เต็มอยู่ที่ว่าพร้อมที่จะให้เขาเต็มที่หรือยังเพราะปกติสำหรับบุคคลทั่ ว, วไปเนี่ยนะไม่ค่อยพร้อมที่จะให้ไม่มีใจเรียกว่าอะไรนะ แอบแฝงไปด้วยอะไรราลๆอย่างหรือกรุณาไม่พอพันจะต้องเจริญบารมีเพื่อให้กรุณาให้เต็มเปี่ยมนะมีความบริสุทธิ์ทุกความคิดและมีปัญญาเนี่ยนะพันอย่างเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณโดยย่ออยู่สามประการคือพระ บริสุทธิ์ที่คุณพระองค์นี่มีความบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่นอายแห่งกิเลสพร้อมทั้งวาสนาอยู่เลยเนี่ยนะอ่าเรียก ว, ว่าความประพฤติหมักหม ม, มหรือกลิ่นอายของคนเคยมีกิเลสเนี่ยไม่มีไม่มีแปดเปื้อนติดตัวสําหรับพระองค์เลยทั้นวาสนาปแปล ว, ว่ากลิ่นอายที่เหมือนกับว่าแบบอะไรนะแบบยังมีกลิ่นแบบแบบนั้นอะติดตามมาแล้วกลิ่นสาบกลิ่นอะไรที่ติดตามมาพราะองค์นี่ไม่มีกลิ่นอายแห่งความแห่งคเคยคนเคยมีกิเลส แเปื้อนมาเลยพันจึงเป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสพร้อมทั้งว่าสนาเกลี่นอายแห่งความชั่วร้ายทุกอย่างหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นทุจริตทางกายวาจาหรือใจเอางั้นถ้าทหารทั่วๆไปมีทุจริตบ้างไหมบอกมีนะถ้าท่าทหารแบบทั่วๆไปท่านก็ยังมีทุจริตเช่นบางองเงี้ย น, นะทุจริตทางกายเช่นกระโดดนะเช่นะเห็นว่ากระโดดก็คือว่าถือว่าขาดความสํารวมเล็กน้อยก็ถือว่าไม่ดีอ่ะ แล้วก็บางองก็มีคาพูดที่ไม่ดีเช่นว่าคนถอยอะนะคนถอยก็คือเหมือนกับว่าพูดคำด่าคาแต่ไม่ใช่วัตดรดามด้วยโทรศัแล้วก็ผ้าหันบางองค์ท่านก็ยังคิดไม่ดีก็คือคิดไม่ต้องสอนใครนะเพราะอันนั้นก็ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าควรตาหนินะไอ้ไม่ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เอาท่านมาตำหนิมาประจาน